แต่ว่าปุตุชนนี่ไม่มีใครทําบุญเท่านั้นว่าง่ายๆรวมๆแล้วเนื้อหายากมากแต่ว่าไอ้คารุกรรมนี่มันหนักเกินไปจริงๆแล้วอุปนิสัยมรรคผลกันมีปกติควรว่าถ้าจบสามัญญผลสูตรควรจะเป็นพระโสดาบันก็ไม่ได้เป็นเพราะข่าพ่อแต่ว่าก็อนันตริยกรรมเนี่หนักมากแล้วพ่อที่แกข่าเนี่ยนะพ่อที่เป็นพระโสดาบันด้วยแม้ก็พ่อก็หนักอยู่แล้วนะแล้วพ่อมีคุณธรรมแล้วพ่อแบบ พ่อชนิดที่ว่าไม่ต่อสู้ลูกแม้แต่คําเดียวคือจริงๆนะพ่อเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารนะท่านจะไม่ให้ไม่อยากให้ถูกฆ่าท่านทําได้เนี่ยนะแต่ว่าท่านก็ก็แล้วแต่พระราชาเธอะเนี่ยนะท่านท่านเป็นคนเหมือนกับว่าคนใจดีมากเลยนะหแล้วแต่เขาอะนะแต่จริงๆแล้วอะถ้าว่าโดยยุคสมัยน่ะอํานาจนี่อยู่ที่ท่านที่สุดอํานาจไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าชาตศัตรูมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าท่านท่านยอมอะนะท่านยอมลูกท่านหมดอะ ในความที่รักลูกเนี่ยนะในก็มาวัดก่อนนะถ้ามีคารุกรรมก็ถ้าคนได้ฌานอย่างพระเทวทัพฌานก็ได้อานันตริยกรรมก็ทํานะแต่อย่างนี้คือได้ฌานก่อนแล้วฌานเสื่อมแล้วค่อยมาทําอานันตริยกรรมอันนี้ตกนรกเป็นกลับนะไปมูที่ตากับเขาเ อ, องไง ม, มพูพระพระ เทวทัศน์เนี่ยตกนรกหนึ่งอันตรกรับเนี่ยนะอันตรกรับก็เศษหนึ่งส่วนแปของมหากับคือไอ้ปกติมหากับเนี่ยที่ว่ากับหนึ่งเนี่ยหลุมกว้างยาวลึกเนี่ยนะกิโลเมตรเนี่ยร้อยปีหยอดมเม็ดพันประกาศไปเต็มเม็ดร้รอยปีเมตร้รอยปีเม็ดเต็มเมื่อไหร่เรียกว่าเขาบอกว่าหลุมมันเต็มก่อนกับมันยังไม่หมด นี่นะเรียกว่านหนึ่งมหากับทีนี้ก็หาร80เนี่ยนะนั่นแหละเรียกว่านหนึ่งอันตรกับเพราะฉะนั้นก็โหหนักมากคดีแรกสังกเพศคดีคดีแรกโลหิตข้อที่สองสังกเพศ ท, ที่สามแนะนำให้ไปฆ่าพระเจ้าพิมพิสาร แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องผ<จ>ู้ ท, ที่ทําบาปแล้วไปตกไปตกในนรกได้ใช้เวลาใมหากรัมเป็นตัวอย่างนินนยตามิชชาทิฐิหรือทําบาปเป็นอาจินกับเป็นอาจินเลยนะมิจฉาทิธิด้วยทําบาปด้วยแต่ที่ที่ตกนรกเป็นมหากรัมเนี่ยนะไม่มีนรกคุมไหนมันอายุเท่าถึงมหากรัมหรอกแต่ว่า มันจากนรกสู่นรกจากนรกสู่นรกจากนรกสู่นรกเ น, น, น, นี่ยนะแต่ถ้าเป็นพุทธันดรเลยนี่มีหลายเจ้าพุทธันดรหนึ่งมันจะลักษณะนี้นะอย่างเขาก็จะมีเกณฑ์เกณฑ์อายุเนี่ยนะ1ิปีเกณฑ์เฉลี่ย10ปีแล้วขึ้นเป็นอสงไขปีคาว่าอสงไขปีนี่ก็คืออันนี้สิบปีใช่ไหมอันนี้เลข0ูนย์ร้อยสี่สิบตัว เธอเลขเลขเลขหนึ่งมาตั้งให้เลขศูนย์ตามห้อยตามห้อยท้ายร้อยสี่สิบตัวเรียกว่าหนึ่งอสงไขยปี <11 00. S 1> นั่นแหละแล้วก็อายุมันโดยปกติมันจะขึ้นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆไปจนถึงอสงไขยปีใช่ไหมประมาทอีกลดมาอย่างงี้อีกมาหาสิบปีสิบปีแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ถึงเนี่ยแล้วก็ลงมาอย่างนี้ แต่ว่าไอ้ขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมากน้อยคือเฉลี่ยลดเฉลี่ยลดเฉลี่ยลดแต่ว่าโดยรวมรวมก็10ปีเนี่ยเพิ่มปีสิเออขอไปร้อย100ปีเพิ่มปีร้อยปีเพิ่มปีะนะอันนี้นี่เป็นโดยมากเป็นอย่างนี้นะแต่ก็จะมีเพิ่มมากกว่านั้นเร็วกว่านั้นก็มีเพิ่มช้ากว่านั้นก็มีอย่างเช่นลถเนี่ยปกติก็รดร้อยปีลถปีหนึ่งอย่างเนี้ยอย่างสมัยพุทธเจ้าก็เกณฑ์สักแถวเนี้ยนะสมมติว่าสักร้อยปีใช่ไหมทุกวันก็ประมาณสัก เกณเฉลี่ยก็สักเจ็ดสิบห้าประมาณเนี้ยมันจะลดไปเรื่อยๆที่จะให้มนุษย์เพิ่มขึ้นไม่มีทางยุคนี้นะจนกว่าจะผ่านอันนี้แล้วก็ขึ้นไปอย่างอี ก, อ ก, กเออมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันอสงไขนี่นต่อกับหรือว่าต่ออสงไขยปีตรงนี้ไม่ใช่อสงไขยกับอสงไขยมีอยู่สี่อย่างอสงไขยมีสี่แต่นี่นี่ คือศัพท์ว่าอสงไข่นี่นะมันมันมันแล้วแต่ว่าอยู่ที่ไหนด้วยนะแต่ตรงนี้เราพูดถึงหน่วยคือปีแต่ก็จะมีอสงไข่อสงไข่อีกสี่สังวัตตวิวัตกับอะไรพวกนั้นเขาจะมีอสงไข่อีกสี่ก็ก็คนละในกับที่กล่าวมานี่ทีนี้พูดถึงอย่างพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วเนี่ยมีอายุสมมุติว่าสองหมื่นปีใช่มสองหมื่นปีเนี่ยนะ แล้วก็มนุษย์ก็จะเสื่อมอย่างนี้ไปเรื่อยจนถึงสิบปีสิบปีนี้ขึ้นไปจนถึงอสงไขยปีแล้วลดมาเหลือร้อยปีตรงนี้พระพุทธเจ้าของเราจึงมาตรัสรู้เนี่ยนะจากสองหมื่นปีนี้นะั้นมีคนตกนรกยาวมาถึงนี่มีเนี่ยนะใครว่าเขาไปพรหมกันไม่รู้กี่รอบแล้วนะเจ้านี้ตกนรกจากพระพุทธเจ้าองค์นี้ถึงองค์นี้เลยยังอยู่เลยก็มี อย่างพระกปริละจากนรกเนี่ยนะจากนี้มาอยู่นรกตลอดแล้วมาเกิดเป็นปลาแล้วก็กลับไปนรกใหม่แล้วไม่รู้อีกกี่ปีแล้วก็จะยังงี้อีกต่อไปว่าพอไปถึงเกณฑ์สิบปีเนี่ยนะก็จะขึ้นแล้วมาลดหลวประมาณแปดหม่นปีเนี่ยพระสีอานจริงอะมาเกิดแปดหมื่นปีเนี่ยนตะ้องต้องลดไปลดแล้วขึ้นขึ้นแล้วก็ลดใหม่ตังช่วงแปดหมืนปีเนี่ยพระศีอนาน์จ่ิงะ เพราะฉะนั้นก็ถามว่านับเวลานี่นร้อยปีเพิ่มปีร้อยปีเพิ่มปีเนี่ยกว่าจะอาสงไขปีแล้วค่อยๆลดเนี่ยถามว่ามันจะควรจะอีกกี่พันล้านปีเขาบอกว่าถ้าเทวดาหกชั้นนะจาตุมยามาดุสิตเนี่ยขึ้นลงเป็นรอบเลยเทวดาหกชั้นนะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเนี่ยนะมีการขึ้นลงเป็นรอบๆนะไม่ใช่ชั้นเดียวชั้นใดชั้นหนึ่งนะ ต้องบุญประเภทขึ้นลงเป็นรอบเลยอะ่ะจึงจะจึงจะที่เรียกว่าค่อยเลือกตัดสินใจมาเกิดช่วงนั้นได้ต้องมีบุญขนาดนั้นไม่มีบุญขนาดนั้นก็โหโพระโพธิสัตว์ของเรานะจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาถึงองค์นี้เนี่ยตกนรกก็มีอะไรก็มีเนี่ยนะผ่านมาตั้งเยอะนะขนาดกับเดียวกันนั้นตกนรกตั้งหลายครั้งนี่น ใ, นนะใช่ ไอ้รอดมาได้ไอ้ต่อไปนี่นี่อที่มาได้นี่ก็ดีใจด้วยนะมุทิตาด้วยแต่ว่าต่อไปก็กรุณาด้วยเพราะว่าถ้ายังไม่สำมันก่อนก็บอกนะว่าใครยังไม่พิจารณาขันห้าให้มากๆก็แสดงความการุณาด้วยนะเพราะว่าเพราะว่ามันชาติหน้าไม่ได้มีชาติเดียวนะกรรมมีแล้ววิบาก มีแล้วกรรมมีแล้ววิบากกําลังมีกรรมมีแล้ววิบากจากมีเนี่ยแล้วกรรมใหม่ ก, กรรมกําลังทําด้วยแล้วกรรมจักทําข้างหน้าด้วยทีนี้ปกติเนี่ยนะถ้าคนไม่มีาศาสนาไม่มีคําสอนแล้วจะไปทํากรรมอะไรละครับนี่เพราะนั้นก็เอาผุ้การเอาผการเป็นสารณะเลยอ๋อทีนี้ต่อไปว่า พวกพวกนี้นะไอชาวนะทั้งหลายแหละก็อยู่ที่การปรารภนี่นะอยู่ที่การปรารภชาวนะจิตก่อนจะตายว่าก่อนจะตายเนี่ยเอาอะไรมาคิดเนี่ยนะก็ควรจะเลือกคิดฝึกคิดเอาไว้ให้ดีว่าควรจะไปที่ไหนเนี่ยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยมพบาลท่านบอกว่าท่านแม่ท่านบุรุษว่างอนนพ่อก็อมาได้ทําให้นะ ไม่พ่อแม่ย่ามิตรอา ม, มาตดญาติสาโลหิตไม่ได้ทํากรรมให้ท่านนะท่านทำํทำด้วยตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นท่านก็จะรับด้วยตัวของท่านเอาเราโทรสระพ่อแม่มาทําทําให้เราใช่ไหมหรืรรอเราโลภะเนี่ยพ่อแม่มาทําให้มิตรอา ม, มาดญาติทําเองทั้งนั้นเน <S 1> <S 1> พราะฉะนั้นก็จักสมควรแก่เจตนาเพราะก็เลือกทําเถอะมีอยู่สูตรหนึ่งบอกบ่าคนมีตาดีเขาเลือกเดินฉันใดบุรุษผู้มีปัญญาดีก็เลือกทํากรรมฉนันนั้นเ่็นไหมท่าน บอกว่าคนมีตาดีเนี่ยนะคนขับรถเป็นเขาเลือกถนนขับใช่หมเขาไม่ได้ขับสเปซ ส, สปาไปให้รถมันตกเหวอะไรนี่ก็เหมือนกันนะชีวิตของเราที่เป็นเหมือนรถก็ขับให้มันดีๆจะได้ไปดีหน่อยเราเลือกเอากรรมกรรมนิมิตคตินิมิตทีนี้จะไปดีหรือไม่ก็อยู่ที่ปกตินะเพราะเราทําทั้งดําทั้งขาวอยู่แล้วมั้นก็อยู่ที่นิมิตสามประการนี่จะเกิดขึ้นแต่นิมิตเหล่า น, น, นั้นอยู่ที่ความคิดอันเนี้ยสามวันเจ็ดวันหรือเดือน 2เดือนก่อนจะตายเนี่ยไอตรงนี้ที่ต้องฝึกให้มันช่ำชองแล้วทีนี้อัจเชว่ากิจมาตับพังโกนชัญญามรนังสุเวเนี่ยนะบอกว่าความเพียรควรทําวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในยวันพรุ่ง น, นั่นนะก็เพราะอะไรเพราะว่าความพัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่เนี่ยไม่มีแก่เราทั้งหลายเนี่ยนะดีไม่ดีเส้นเลือดนี่มันอาจจะแตกข้างในก็ได้เนี่ยนะขนาดอะไรหุ้มไว้ตั้งเยอะมันยังดันแตกได้อย่างเงี้ยนะเพราะอย่าว่าปัจจัยภายนอกเลยอย่างเง้น ทีนี้ต่อไปอีกว่าในบรรดากรรมเนี่ยกรรมที่ทาด้วยเหตุสามติเหตุทำกรรมด้วยเหตุสามเช่นมหากุสลนให้ทานมีกรรมเป็นเบื้องหน้ารักษาศีลมีกรรมเป็นเบื้องหน้าเจริญภาวนามีกรรมเป็นเบื้องหน้าเมื่อมาได้รับอารมณ์อย่างนี้แล้วนะมันยังมีโลภะแทรกในระหว่างนี้ด้วย จริงๆแล้วไม่มีใครมีเป็นบุญบริสุทธิ์ตลอดในในระหว่างรับกรรมมณิมิตคตินิมิต ท, ทั้งสามอย่างนี่เนี่ยมันจะมีศัพท์หนึ่งที่เรียกว่านิการติเข้ามานิการติเนี่ยพอใจในกรรมกรรมมณิมิตคตินิมิตถามว่าคนจะตกนรกเนี่ยยังยังพอใจในคตินิมิตอยู่หรือในในอัตถะฐาปฏิสัมพิธามักท่านถามนะ ก็บอกก็ยังพอใจด้วยอำนาจโมหะอยู่โมหะลุ่มหลงเนี่ยนะไอความเขาเนี่ยภาพนรกก็ยังพอใจก็มีอยู่ลัฐที่หนึ่งอะนะลูกศิษย์เขาเนี่ยภาพนรกปรากฏอาจารย์บอกยินดีไว้เถอนนั่นแหละประตูสุขติคือ ค, อ ค, อ ค, อคอเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเป็นรัที่มิจฉาทิฐิคตินิมิตที่เป็นนรกเนี่ยไฟเนี่ยเปเลวเพลิงนี่ยมันปรากฏมาก นี่เขาก็เขาก็มีอาจารย์เนี่ยนะมาเขาบอกโอ้โเนี่ยดีแล้วดีแล้วนั่นแหละถูกแล้วคิดน้นนั่นนะว่าให้มากเนี่ย น, นะ <c oughs> ก็คือรัที่มิชาทิถีนะก็เาเาบางรัฐที่เขาถือว่าการบูชาเพลิงนี่มันเป็นเป็นบุญใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นภาพนรกไฟเพลวลุกพรบกันนั่นแหละใช่เลยนะที่ไหนได้ <c oughs> ไม่ค่อยแน่นอนเอ่อบางคนก็เป็นวันๆเลยเป็นวันบางคนก็เจ็ดวัน ถ, ถ้าอย่างน้อยก็พวกอุบัติเหตุไงพวกอุบัติเหตุก็กกหลายวิถีอยู่เหมือนกันหลายวิธีจิตพวกพวกอุบัติเหตุเช่นพวกเชือดคอตัวเองพวกอะไรพวกนี้นะพวกนี้ก็ถ้าพวกนอนป่วยนี่อาจจะสามวันเจ็ดวันนะถ้าไม่มีใครมาช่วยนะ ถ้าไม่มีใครช่วยค่าก็อาจจะหลายวันหน่อยท่านว่าไปนั่นคือสนใจตรงนี้ครับคือว่าไอ้ความคิดอันนี้เนี่ยนะฮะที่ว่ามันก่อนที่จะถึงไอ้ห้าดวงสุดท้ายเนี่ยน่มันเป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับใช่มีความตึกถ้าหากว่าเรามีโอกาสฝึกไว้ก่อนมันคงจะง บ, บันเทาไปอชีวิตบางคนนะถ้าอย่างเช่นคนสูงอายุบางคนเนี่ยโดยมากๆแล้วนะจกรี คิดถึงของเก่าซะส่วนใหญ่คิดถึงสิ่งที่ผ่านมาเมื่อบางคนก็คิดถึงเจตนาความคิดของตัวเองที่เคยคิดอะไรไว้บ้างในอดีตเนี่ยนะบางคนทบทวนในส่วนของความคิดบางคนเนี่ยทบทวนในสิ่งที่ตัวเองไปเห็นไปได้ยินมาทบทวนอารมณ์เนี่ยนะอันนี้มีสองกลุ่มโดยมากอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเนี่ยอยู่ในโลกของความฝันตลอดเลยนนะเนขาฝัน ถ, ถึงที่ไปนะ เคยมีใครที่อยากใครเคยได้ยินบ้างคนจะตายแล้วเขาฝันตลอดเลยเดี๋ยวเขาฝันว่าเขาไปโน่นแล้วไปนี่และมานี่แล้วเขาไปเจอตรงนั้นไปหิวน้ํามากตรงนั้นอะไรตรงนั้นเนี่ยนะบางคนเนี่ยเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนีย่ยนะโยมบางคนนี่มาเล่าให้เดมาฟังเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยแต่เขาก็บางทีเขาก็ก็รอดตายมาได้แตแต่ว่าเกือบตายแล้วอย่างนั้นพวกนี้พวกนี้เป็นลักษณะของคตินิมิตรซะส่วนใหญ่เป็นก <c oughs> ารฝึกการ การฝึกเพื่อฝึกในการตึกไปในไตสิกขาเนี่ยจึงมีความสําคัญมากเลยเป็นการเตรียมตัวอย่างดีเลยให้เห็นอะไรเนี่ยให้ให้ให้เป็นไตสิกขาให้ได้เนี่ยนะก็จําเป็นมากๆเลย<ห>นี่ถ้าสมมติแบบขอโทษแต่ถ้าสมติเราเห็นอะไรปุ๊บทำเป็นกุศลได้นอกจากอ่านกุศลเราก็ตัดไปเราก็กุศลนี่มันก็แค่ปากนะเราเอาอของดี้องดีนั่งมันจะช่วยได้ ก็คําถามเอามาเนี่ยนะมาจะถามว่าคุณทําได้ไหมล่ะใช่ทำไมคิดถึงผักตัดสันหลังแล้วทําใจให้มันดีได้ไหมนั่นแหละก็ก็พอละเอาเอาให้มันง่ายๆก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ทั่วทไปนี่ก็ลองฝึกให้มันคิดเนี่ยนะก็คิดดูในใน พยายามเอาสิ่งที่เป็นจริงว่าเราฝึกได้ไหมน้อมได้ไหมถ้าเราไม่เก่งนะบอกไว้อย่างเดียวคือเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเอาไว้ดีที่สุดอย่าไปเอาเรื่องของเรามาเลยเพราะปกติเราก็ไม่ค่อยมีฝีมือนะอย่าคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองเลยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นสารณะพระธรรมเป็นสารณะพระสงฆ์เป็นสารณะก็เอาท่านเป็นสารณะไปเถอะเนี่ยนะอย่าไปแต่ถ้ามั่นใจแหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกอารมณ์หมดเลย ขันห้ามมันอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาบละเอียดเลวประนิดกลใกล้ทั้งหมดงั้นก็ขันห้านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราอริยาสาวกใคร่ควรวนอย่างนี้แล้วก็เบื่อนายทั้งรูปเวทนาก็งั้นก็สาธุ น, านันุมโมทนาด้วยแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ปกติก็พุทธานุส ต, ตินะเพราะเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นผ้าหัน์ไกลจากกิเลสกําจัดข่าศึกคือกิเลสหักเสียกรรมแห่งสังสารวัชช์เนี่ย น, นะก็ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไปฝึกอ่ะตรงนั้นเนี่ยนะพอจะเป็นที่พึ่งให้ชุดแนแน่นอนเลยแต่ถ้าไปเอาเองเนี่ยนะเออเนี่ยสูตรสําเร็จเนี่ยนะมันตรงตรดีอ่ะนะแล้วก็แน่นอนด้วยแต่ถ้าไปแหมคิดฝึกเองเนี่ยก็ถ้าไม่ฝึกไว้ตอนที่มันยังดีๆเลยนะยากมากเดี๋ยวฉันลองฝึกดูดูอักุ u ศนที่จะคิดให้เจรตเป็นกุศลได้ไหมยอย่างเงี้ยนึกเกินนึกอย่างนี้นะอยากจะลองฝีมือตัวเองดูนะ นึกถึงบาปครั้งที่แล้วที่ทาดูซิว่าจิตตอนนี้มันจะเป็นบุญไหมถ้ายังยแย่เลยถ้าทําไม่ชำนาญจริงๆนะไม่ชานาญจริงๆเนี่ยนาน ย, ยากมากคิดถึงอกุศลที่เคยทำมาเนี่ยนะแล้วคิดด้วยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะปกติก็นับว่ายากแต่ถ้าฝึกคิดอย่างนั้นได้นะก็ถือว่าเก่งมากคิดถึงอกุศลด้วยจิตที่เป็นกุศล ความพอใจในอารมณ์ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเมื่อกี้ยังพูดเรื่องนี้ไม่จบเลยปกติแล้วเหตุเหตุทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แปดประการนะของผู้ที่ จ, จะจะปฏิสนธิในสุขตินะสมมติว่านี้สุขติมีเหตุตุปัจเนี่ยแปดเนี่ยนะเหตุแปดคือเหตุสามที่เป็นกรรมก่อนเหตุสามที่เป็นกรรม ที่เป็นบุญนะเหตุสองนี่กันติที่ไปชอบกรรมกรร ม, กรรมนิมิตคตินิมิตอย่างใดยอย่างหนึ่งอันนี้เป็นโลภะเหตุกับโมหะเหตุใช่ไหมนี่เหตุสองส่วนสุขตินี่เป็นปฏิสนธิด้วยติเหตุอันนี้เป็นเหตุสาม น, นะระหว่างนี้ก็ยังสลับด้วยอกุศลอยู่ดีเนี่ยนะสลับด้วยอกุศลแต่ว่าเป็นโลภะที่นับว่า บางท่านก็มากบางท่านก็น้อยเนี่ยนะแต่ว่าจะโดยปกติวิถีใกลาตาจะมีโลภะโลภะอันนั้นเรียกว่านิการตินี่นะนิการติก็บอกว่าโดยที่สุดภาพนรกปรากฏก็ด้วยความงโง่เนี่ยนะก็ยังชอบยังชอบไฟนรกอยู่ดีเหมือนนเถอะเพราะฉะนั้นโลภไอโลภะตัวนี้แหละที่สำนวนจะเรียกว่าตัวนําเกิดก็ไม่ผิดอะไรยังยังมีความหวั่นไหวยังมีความพอใจเนี่ยนะ อยังเส้นยังสําคัญว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยด้วยอำนาจอัตา ม, มาณนะเป็นต้นเนี่ยมันโลภะก็เกิดนั้นก็กุศ ล, ลเหตุ3อกุศลเหตุ2ปฏิสนธิเหตุอีกสเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเหตุปัใจจัยในการเกิดในสุขติเนี่ยนะด้วยเหตุ8นี่ยนะกรรมตัวกรรมสความชอบก่อนจะตาอีกสองตัวปฏิสนธิที่อีก3าเนี่ยนะก็ กล่าวถึงปัจจัยสหาชาติชาติอีก24 24ธรมมะเนี่ยนะ24องค์ธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเกิดในภพใหม่การปฏิสนธิเหล่านี้การปฏิสนธิในคติเนี่ยจะมีผลมากต่อการที่จะตรัสรู้ธรรมหรือไม่เนี่ยนะถ้าปฏิสนธิเป็นทวิเหตถือว่าสมมตินะพรษสิารานมาเกิดคุณเป็นทวิเหตยังไงคุณก็ไม่ได้บรรลุ พระองค์จะเทศดีขนาดไหนคุณก็ไม่ได้บรรลุเว้นไว้แต่ตายแล้วเกิดใหม่ระหว่างนั้นนิดจึงจะได้บรรลุเพราะผู้ที่จะตรัสรู้ทำเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปต้องเป็นติเหต์นี่นะกรรมที่ต้องเหตุสามนำเกิดอันใครที่ติเหตนําเกิดนี่ก็นับว่ามีบุญมากซึ่งติเหตนําเกิดก็4ดวงในมหาวิบาก8ดวงเลคือดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่5กับดวงที่6กนี่แหะดวงที่5กับดวงที่6แล้วก็ ทั้งที่เป็นโสมนัสและอุเบกขาเนี่ยนะก็ให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือฝึกคิดคำสอนให้มากมากเยให้เยอะๆแล้วลึกถึงคำสอนสาธยายพระสูตรคิดถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยนะอนุสติ6ก็ได้อนุสติ6กนี่ก็น่าเจริญให้มากมาก แต่ถ้าใครเจริญอะไรเลยไม่ได้จริงๆก็มีลูกมีหลานก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ให้มาอ่านพระตไตรปิฎกให้ฟังบ้างนะ น, นะคิดอะไรไม่ออกเนี่ยนะปู่อยากฟังตายายอยากฟังสูตรนั้นสูตรนี้ก็ให้มาอ่านให้ฟังเขาคงอ่านให้ฟังบ้างมั้งอืนถ้าก็ลืมไม่ก็โอสมัยไฮเทคกันแล้วเปิดเทปให้มันลั่นห้องไปหมดก็ได้เ น, นี่ย น, นะข <c oughs> ถ้าตอนตื่นๆอย่างนี้ยังเพี้ยนก็ตอนนั้นก็ไม่ต้องห่วงช่วย <sh ua id S 2> <c oughs> ไม่ได้จริงๆ เอาให้มันตอนที่มันฝึกไว้ตอนนี้ให้มันได้ดีหน่อยอย่างใบอนุโมทนาบัตรไปนะคะของเราแล้วก็การ์ดเออก็ดีนะใช่ก็ก็ดีนะใครที่มีทรัพย์แล้วก็ให้แล้วก็มีอนุโมทนาบัตรเขียนบันทึกรายการนะมีพระเจ้าพระราชานะองค์หนึ่งอ่ะชีลังกาเนี่ยก็เป็นทำมันนั้นแบบนั้นเวลาก่อนจะตายนี่ให้อมสาธเนี่ยนะมาอ่านให้ฟังเลยว่า เคยทำบุญที่ไหนมาบ้างอ่านไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆไปอ่านอยู่ที่หนึ่งเจอตอนหนึ่งคือตอนที่พระองค์เนี่ยรบแพ้แล้วก็ไปกับอมตะสองคนแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งมีอาหารอยู่ถ้วยเดียวเนี่ยพอไปอยู่ในป่าเข้าก็หิวมากก็เลยอมาตก็เลยเอาอาหารเนี่ยมาแบ่งแบ่งเป็นสามส่วนทีนี้พระราชาก็เลยคิดว่า ه, ถ้าเราจะฉันปกติเราเนี่ยถ้าไม่เคยให้ทานก่อนจะไม่บริพกเนี่นะเขาเขามีสมท า, านแบบนั้นมา เพราะฉะนั้นก็จะเอาถวายพระที่ไหนเนอทีนี้ก็พระองค์หนึ่งที่มีฤทธิ์นะสมัยนั้นนะสมัยก่อนพศก่อนพันเนี่ยนะพศก่อนพันนี่พระมีฤทธิ์มีเยอะท่านก็โยนบาทมาพระอรหันต์นี่ก็โยนบาทไปทีนี้อุบาสกคนนี้ก็ที่ฐานโยนบาทไปแล้วก็ฉันพระก็ฉันแล้วก็ไอ้บุญตรงนั้นเนี่ยท่านประทับใจมากนะประทับใจว่าอพอแล้ไม่ต้องอ่านต่อแล้วท่านก็ดีใจในบุญอันนั้นแล้วก็นําเกิดในสุคติ ก็มีพระเจ้าพระราชาเนี่ยนะพระเจ้ามีอีกหลายองค์นะอีกหลายองค์นี่คือพระเจ้าที่ที่รับต้อนรับพระมหิน น, นะนีที่องค์ที่ต้อนรับพระมหินเนี่ยนะพระราชาองค์นั้นเนี่ยก็พอพอตายแล้วก็ไปเกิดในสุคติเกิดดาวดึงและอธิษฐานจุติมาใหม่มาใหม่ก็ปฏิบัติดีก็เป็นพระหันเนียเนี่ยก็ยังเลือกมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนั้นอะยู่เนี่ยนะ อธิษฐานจุติมาเกิดเป็นเป็นกุลบุตรแล้วออกบวชตั้งแต่เป็นนินโลภาโมหะเออโลภามันชอบหมดน่ะโลภามันชอบหมดนะ ก็ก็ Кор. Кор. Кор. Кор. Кор. Кор. อันนี้มันมันเป็นเรื่องส่วน ท, ท, ทว่าให้ตรงก็ อ, อยู่ที่คือมันจะอารมณ์ไหนฉันก็ชอบหมดแหละเพราะฉะ น, นั้นก็เลือกชอบเอากันแล้วกันว่าควรจะชอบอะไรอนะแต่ถ้าถามว่าจะถ้าจะให้ดีอ่ะก็ควรเลือกไม่ชอบเออก็เลือกเบื่อนาให้มันหมดนั่นเลยเพราะพวกนี้มันนำเกิดหมดทั้งนั้นเลยก็พาหันประเภทสมาสีสีทั้งหลายเนี่ยท่านเห็นคตินิมิตนะเห็นนิมิต ที่จะเกิดในภพต่อไปท่านเจริญวิปัสนาเลยมันรูปเป็นพผ้ารหันตอนนั้นแต่หมายคือว่าอนุปัสนาเจตนี้มันช่ําชองตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะช่ําชองเพราะฉะนั้นเรียกว่าพอคตินิมิตปรากฏก็เจริญวิปัสนาเลยเป็นพผ้ารหันในระหว่างนั้นได้ก็จริงจริงก็แนะนําอย่างนั้นนะ แนะนำอย่างนั้นถ้าตัวเวทนาตัววิปัสนาจริงๆนะนะไม่น่าห่วงหรอกถ้าเป็นวิปัสนาจริงๆเนี่ยนะคือถ้าถ้าเจริญจนชํนานาญจนช่ำชองแล้วไม่ค่อยน่าไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าคือวิปัสนาคือการเข้าไปเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะเพราะมันสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะ นี่ปกติตอนที่ธรรมดายังไม่คิดว่ามันไม่เที่ยงไงแลยวนะใกล้ตรงนั้นมันจะคิดได้หรือมไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วนะไม่ไม่อยากเว้นไว้แต่ว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปถ้าอย่างนั้นอาจจะใช่อนะแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาในในคำพีเลยะที่บอกว่าไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน้ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยหมายถึงว่าวิปัสสนาแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ชํานาญตั้งแต่แรกนี่ก็นับว่ากง กว่าตอนตื่นๆตือนยังไม่ค่อยได้นะแล้วเราจะให้ฝันด้วยนะฝันว่าเจริญ น, นี้ปัตนาในแหมยากมากก็ ต, ตื่นตื่นยังไม่ค่อยได้ว่ายเจดีแล้วฝันว่าไปว่ายเจดีนี่ก็ยากมากแตวันนี้สมควรกับเวลาแล้วนะ